พระสามสิบห้าเนนสี่ใช่ไหมพระเจ็บสามสิบสามเนนสี่สัมเนนมาจากหวังน้อยพระเนนในวัดของเรานะขาดไปนานแล้วเพราะทางกฎหมายออกมาใหม่เนี่ยเนนยังไม่จบมหกเขาจะไม่ให้บวชเราไม่ได้สอนหนังสือก็เลยไม่มีเนนขาดเนนะ 33สาสสามเนนสและเมื่อเช้าเนี่ยพระนว ก, กะที่เป็นนักศึกษาแพทย์มหิดลสิทธิราชลาสิกขาไปก้าโองเมื่อเช้าเนี่ยบวชแต่วันที่ยี่สิบสี่ี่มีนาและก็ลาสิกขาเมื่อเช้าเนี่ยวันที่สิบสาลาสิกขาวันสงกรานวันปีใหม่จะได้กลับไปเรียนไปศึกษาปีนี้บวชรู้สึกว่าน้อ น้อยวันกว่าปีก่อนๆเพราะว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมการสอนของครูบาอาจารย์ก็เลยถล่มเข้ามาวันวันปิดเทอมของนักศึกษาก็เลยทำให้เวลาบวชน้อยไปน้อยนึงแต่ก็ไดลาศึกษาไปเมื่อเช้านี้ทั้งหมดเก้าหน้าเก้าเก้าทิศมา ทางอีสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบวชน้อยๆเนี่ยบวชได้สึกเร็วนะว่าทิศนะถ้าอยู่นานๆสามสี่ปีเนี่ยเขาเรียกว่าจาย์คันเป็นสมณเณรบวชเป็นเณรได้สึกออกไปเขาว่าเสียง เ, ยเสียงเมี่ยงเนี่ยใกล้ๆว่าบวชเข้ามาแล้วลบวชเข้ามาแล้วยังไม่เป็นพระนะลาสิกขาไปก็เรียกเสียงเสียงเพราะว่าเสียงเมี่ยง เสียงเมี่ยงไปเสียงสาไปเสียงสอนไปเสี่ยงใสายเสียงอะไรก็เสียงไปเมดหมดเหมันงั้นแะแต่ถ้าหากว่าใครบวชเข้ามา เ, เมื่ออายุยี่สิบครบยี่สิบปวดทดแทนบุญคุณของพ่อขอ ง, ของแม่เดือนสองสามเดือนก็เรียบรูปปีปีสองปีก็เรียกว่าทิศถ้าบวชเข้ามาสามสี่ปีขึ้นไปได้สงลดน้ําสงน้ําอแล้วก็ เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำทางศาสนาสมัยนั้นก็เป็นสมพานนะเรียกว่าใกล้เคียงแต่รู้จักศาสนพิธีพาไหว้พระสวดมนต์อะไรไดเ้เมื่อออกไปก็ น, นั่นอ่ะายสีสู่ขวัญเรียกขวัญอันนี้เรียกว่ า, า, าอาจานนักปราชญ์อาจารย์เป็นผู้นำชุมชนบวชหลายปีผู้บวชเขาว่าคนสุขนะ เพราะนั้นคนโบราณเขาไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยเขาก็ให้ผ่านวัดก่อนบวชในวัดก่อนแล้วลายศิษยาไปนึกว่าเป็นคนสุขเป็นคนพูดที่รู้เรื่องเป็นพูดคนพูดที่รู้จกักศีลรู้จักธรรมในสมัยนั้นอะแต่ทุกวนันนี้บ้านเมืองโลกเขาพัฒนาเขาเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่เขามาบวชก็ส่วนหนึ่ง แต่จากนั้นก็ได้เรียนได้ศึกษาทางสถาบันต่างๆปริญญาตรีโทเอกแต่ทึ้งยังไงก็ต้องได้รับการศึกษาทั้งประเทศชาติมาได้รับการศึกษาประเทศชาตินั้นก็เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอเป็นประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาการพัฒนาก็คือพัฒนาคนก่อนออจากวันนี้แหละวันนี้พวกเราก็เนี่ยเขามาพัฒนาพัฒนาตนเอง วันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2555เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของคนในชาติทางรัฐการก็พยายามประกราศให้หยุดรัชาการบริษัทห้างร้านต่างๆหยุดหมด เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนพักผ่อนหย่อนใจกลับมาบ้านเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็พบมิตรสหายมาดูแลสารถุสุขติบซึ่งกันและกันใครบ้างไปทำงานที่ไหนได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างไรมีความเจริญร่ำรวยอย่างไรก็จะได้มาพบมาเจอกัน ในวงสาขาญาติพร้อมกันก็ผู้ใดมีอุปสรรคก็จะได้มาประสานงานติดต่อทำความเข้าใจใซึ่งกันและกันมาพูดคุยกันเรื่องมอรดกตกทอดเรื่องของต่างๆที่พ่อแม่จะต้องเรียกลูกๆมาประชุมหาลือกันมันมีมากลากหลายเพราะต่างคนก็ต่างมีกิจธุระ แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามเราในฐานะลูกหลานถึงจะไปทำงานดูณถิ่นใดถึงวันนี้วันสงกรานเราต้องได้คิดไว้แต่ปีนี้ยังคิดไม่ได้ปีต่อไปพวกเราควรจะคิดว่าเราจะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเงินได้อย่างไรเมื่อกลับขึ้นไปบ้านเราก็จะต้องมอบให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายายของเราเลือกไปทำกิจการเลือกไปไถ่ถอนอะไรเราต้องเก็บเมื่อไปทำงานอย่าไปใช้ชดุลุ ด, ดลายอันนี้ก็คือการวางแผนชีวิตของตนเองเรามีพ่อมีแม่มีบงสาคณาญาติเราต้องวางรู้จักวางแผนชีวิตนะถ้าเราไม่มีการวางแผนชีวิตของตนเอง ชีวิตของเราจะหาความปราบรื่นได้ยากเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่มีแต่อยู่ในปัจจุบันอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขนขวายไม่ต้องทำลายอนาคตอดีตก็ไม่ขยันปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้คิดวางแผนว่าจะเดินไปยังไงในอนาคตคนนั้นไปนว่าหมดอนาคต ไม่มีอนาคตที่จะทานายพรามันอนาคตมืดบอดนี้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์พระพุธทธเจ้าต้องวางแผนว่าอนาคตเนี่ยเราจะเดินอย่างไรเมื่อเราเป็นพระเราก็มองอยังไงเมื่อเราเป็นโยมเราก็จะมองอยังไงเรามีพี่มีน้องมีวงสาคานายาตอนาคตของเราเราจะ บริหารจัดการกับตนเองอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดไม่ใช่ว่าอยู่กินเล่าตาปรือไปเป็นวันๆอย่างนั้นแปลว่าไม่มีอนาคตอนาคตมืดบอดอนาคตมืดบอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายจะไปทําการทํางานจู่ถิ่นไกลที่ไหนก็ตามเมื่อสงกรานต์ขึ้นมาแล้วก็ ให้มีสติสัมปชัญญะตั้งแต่ออกจากงานมาถึงบ้านไม่ใช่ว่าไปวันสงการก็กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าไม่ใช่วันสงการถืออย่างนั้นเหรออันนั้นก็แปลว่าความคิดแบบเก่าๆความคิดพัฒนาใหม่คนรุ่นใหม่เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเอาคนมีสติสัมปชัญญะไปสู้กับคนอื่นเขาจึงจะเป็นผู้ชนะ อย่างที่พวกเราเอาคนกินเหล้าเขาไปขึ้นไปตีมวยดูสิก็ไปเป็นกระสอบให้เขานี้ก็เหมือนกันคนในชาติของเราจะติดยาบ้ายามา้าคัญชายาฝิ่นเมื่อเข้ามาประชาคมอาเซียนออีกไม่กี่ปีปีห้าแปดนี่เเราจะเกิดเปิดประเทศเข้าสูป่ประชาคมอาเซียนเราจะเอาเหล้าเอาจะเอายาบ้านะเข้าไปสู้กับต่างด้าวต่างถิน่น ประชาคมอาเซียนอย่างนั้นเหรอก็มีแต่แพ้เขาหลุดกุยประเทศชาติล่มจมจิบหายอย่างมากท่านเราคิดได้เพียงแค่นั้นเราต้องเป็นผู้พัฒนาประเทศอันดับแรกก็คือคนในชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังเราต้องพัฒนาตนเองจะทำยังไงสถานะของเราการเงินของเราครอบครัวของเราจึงจะเป็นคนดีไม่ใช่ว่ามัวเมากับการ เที่ยวการเล่นแต่พวกเราพวกเราคิดให้ดีคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะถ้าพวกเราเมาก็ไม่มีใครห้ามแต่หลวงพ่อก็เป็นผู้แนะนําท่านเองหลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะแนะนําว่ากินเหล้าอยาเสพติดเสพของมืนเมานะั้นมันให้โทษนะลูกหลานนะนเนื่องจากกินเหล้าเข้าไปแล้วขาดจติตตแล้วขับรถหัวนอกพื้นเอ่เป็นบ้าเป็นบอโ ต, ổ, ต, ổ, ต๋โตเตเตขาหักแขนหัก อวัยวะพิกลพิการเรามาอยู่กับสามีมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับพ่อแม่มาอยู่กับลูกให้เขาเลี้ยงเราคิดตูให้ดีกันแล้วกันนะจะเป็นยังไงเป็นภาระของครอบครัวนะถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าพ่อแม่ไปถูกเขาตีหัวซะหัวนกพื้นซะแขนหักขาหักซะเดินไม่ได้ทางานไม่ได้กลับมาบ้าน แม่บ้านเขาพอใจไหมเขายินดีไหมลูกเขาพอใจไหมยินดีไหมถ้าแม่บ้านไม่ยินดีถ้าลูกไม่ยินดีตัวเองจะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วใครทุกข์ล่ะใครเป็นคนทุกข์อันดับแรกตัวเองทุกข์ใช่ไหมพันรยาทุกข์ใช่ไหมลูกหลานทุกข์ใช่ไหมเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นตัวเองพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจตัวเองทาไมกินเหล้าทาไมไปหาเสพยาเสพติดอย่างนั้น ถ้าเยเสพยาเสพติดถ้ากินเหล้าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมวันก็ต้องไล่เลียงไปใช่นะในเมื่อตัวเองกินเหล้าเข้าไปเมาสุราเข้าไปแล้วหัวนอกพื้นถูกคนตีหรือว่าประสบอุบัติเหตุแล้วมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับลูกภรรยากัะเผรนนี้จากบ้านลูกก็หาใครจะเลี้ยงไม่ได้เราแล้วเป็นยังไง เสียงเหล่านี้เราต้องคิดให้ไกลคิดให้รอบขอบสติสมบูรณ์สติสัมปชัญญะนี่แหละถ้าคาว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจะเป็นลักษณะอย่างใช่ร่อแหลมเหลือเกินถ้ากินเหล้าเข้าไปถ้าเมาเข้าไปแล้วล่อแหลมเหลือเกินแต่ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าดื่มสุราก็ต้องเมาก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเราจะดื่มเพื่ออะไรเราต้องรักชีวิตของเรายิ่งกว่าอย่างอื่น ไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราขณะตัวของเรายังไม่รักชีวิตของตนเองเองแล้วจะให้คนอื่นรักชีวิตของเราแทนเราอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่โง่โจนเกินไปถ้าเราไม่โง่โจนเกินไปนะเราก็ต้องคิดได้นะถ้าเราไม่คิดไม่อ่านจเฉยๆไปว่าไม่วางแผนชีวิตของตนเองเพราะฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกๆคนนะ แล้วก็ฝากไว้กับพ่อแม่ให้สอนลูกสอนหลานอย่างที่หลวงพ่อพัพูดเนี่ยนะเมื่อเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีการวางแผนมีการคิดใช้สติปัญญาคิดในการเป็นอยู่แล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคนานับประ ก, การการดูนักสถานที่ใดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อแม่ ถึงลูกของเราจะไปอยู่นสถานที่ใดเราก็ไว้ใจเออมันไม่เคยกินเหล้ามันขยันยังไงก็เอาตัวรอดได้แน่พ่อแม่อยู่ทางบ้านก็สบายใจแต่ถ้าว่าพ่อแม่อยู่ทางบ้านคิดถึงลูกคนนี้เข้าไปทีไรเลยห่อเหี่ยวทุกครั้งเออกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกต่างหากไ อ, อ้ลูกที่เล็กเกเลเกตุงนั่นแหะพ่อแม่รักพ่อเหตุเหตุใดถ้าพ่อแม่จึงรักกลัวมันจะเอาตัวไม่รอด พ่อแม่ก็เลยรักเป็นพิเศษจะเอาอยัางไงจะให้มันยังไงจะดูแลยังไงลูกคนนี้มันจะไม่รอดคนอื่นเราก็ไม่ห่วงมันหรอกเพราะมันเอาตัวรอดได้แต่คนนี้มันเอาอยัางไงมันเอาตัวรอดไม่ได้เพราะมันเ อ, อเกเรเหลือเกินแล้วก็เนี่ยเพ้อเพอก็จะไปทําอะไรมันก็ไม่รู้นี่แหละพ่อแม่เป็นห่วง เ, เพอเพ้อเสียสุขภาพจิตกับลูกคนนี้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เราต้องพยายามดูตนเองให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีอย่าให้ท่านหนักใจเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเป็นตัวของตัวขาสองแขนสองสมองหนึ่งเออขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเราจะกระโดดไปในแวดว่ายในโลกอันกว้างนี้ได้อย่างไรจะไม่พิษเป็นไม่เป็นพิษเป็นภยัย เราจะต้องทำดีที่สุดไปน่าจะฐานที่ใดเราจะต้องคิดดีพูดดีทำดีที่สุดต้องคิดอย่างนั้นจากนั้นก็วางแผนพัฒนาตนเองเอจะทำยังไงครอบครัวของเราจะมีอยู่มีกินมีใช้เมื่อลูกของเราใหญ่ขึ้นมาเราจะส่งเสียลูกของเราให้เรียนหนังสือให้เทียมเท่ากับพี่น้องตระกูลของเราได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องวางแผนต้องคิดหัวหน้าครอบครัว สามีภรรยาต้องช่วยกันคิดถ้าพวกเราคิดได้อย่างนั้นแล้วนะลูกของเราใหญ่ขึ้นมาเราก็ส่งเสียต่อไปลูกของเราเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอย่างไม่เห็นไหมหลวงพ่อแจกไม่เท้าเมื่อกี้เนะี่ยหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังในธรรมบทพ่อแม่มีลูกขึ้นมาแล้วเลี้ยงลูกตั้งเก้าคนมีสมบัติแบ่งให้ผลที่สุดลูกไม่ยอม เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พูดกัแหนกัแหนพ่อแม่ก็เลยไปอยู่กับคนหัวปีคนหัวปีกับพูดภรรยาของลูกหัวปีเน่ะลูกชายเนี่ยลูกสะพ้ยน่ะพูดกะแหนกัแหน่พ่อเนี่ยก็ลงไปอยู่กับลูกคนรองลูกสะพ้ยคนที่สองก็พูดกันแหนกัแหนอีกพูดเท่าอายุมากแล้วใจน้อยนะลูกหลานนะบอกไว้อย่างั้นนะพ่อแม่ของเราเมื่ออายุมากขึ้นมาแลยใจน้อย พวกลูกหลานต้องรู้ตัวเองก็เหมือนกันนะต่อไปเมื่อจะใจน้อยเหมือนกันออพอเห็นลูกเห็นหลานไม่พอใจเนี่ยเออทําไมเขาเป็นอย่างนี้วะเพ้อเพอเสียกําลังใจได้ไง่าย ๆ, ๆเพ้เอเพ้อเงอยงเหงาสึมเศร้าเพิ่นฝนจตายตา ย, ยเพราะอะไรเพราะลูกทั้งหลายไม่ให้ความสนใจไม่ให้การดูแลสิ่งเหล่านี้พวกลูกทั้งหลายหลานทั้งหลายต้องช่วยกันดูคับประคองผู้สูงอายุนะนี่แหละเ อ, อตาแก่คนนั่นก็ ดูไล่ลงไปเรื่อยจนคนจุดท้องนะพอคนจุดท้องกันแนกันแหน่อีกเลยตะแกก็โอ้ไม่ไหวกูตายเอาดาบหน้าดีกว่าเนี่ยคนแก่นะ่ะตายที่ไหนก็ตายเกิดมาตายพอแรงแล้วปะได้ไม้เท้าอันหนึ่งแล้วก็ได้มอโลหูขาดใบหนึ่งเพราอนกันเอ้อแล้วก็พา ย, ย่อแต่พา ย, ย่ามใบหนึ่งพา ย, ย่ำขาดขาดใบหนึ่งเพราะไม่มีเงินเลยไปหาขอทานนี่ ประเทศอินเดียเขาขอทานเป็น ธ, ธรรมดาเลยถ้าไม่มีใครไม่มีอยู่มีกินก็ต้องหาขอทานกินแต่แกนี่ก็หาขอทานกินชัดเซย์พเนจรไปเรื่อยไปหากินบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนี้บ้านนั้นกลุมกล่มนั้นกลุ่มนี้ทุดแทเขาจะให้อาบน้ําบังไม่ได้อาบน้าบางคนแก่ฮะอันนี้ชัดเซย์พเนจรไปเรื่อยชายาติี่นี่ก็นอนไปเรื่อยขอข้าวที่ไหนกินไปเรื่อยอาบน้าบังไม่อาบบ้างไม่ต้องคิดฮนะเป็นยุคที่ใช้กรรมไป พรลูกไม่เลี้ยงจากนั้นเราก็เดินไปอ๋อไปเห็นวัดป่าเชตตะวันเลยพระพุทธเจ้าท่านคงจะมีของดีๆอาหารดีๆหรือว่าของที่คนเข้าไปหาเนี่ยก็คงจะมีเศษมีเหลือจะไม่ได้มีอาหารอยู่บ้างหรือหรือว่าอย่างน้อยก็ได้ใสมณะโคตรผมจะแนะแนวทางดําเนินชีวิตของเราได้บ้างค่ะเขาก็มีความคิดอยู่แต่ว่าเนี่ยในใจในใจพรามคนนั้นอ่ะมันคิดอีก มุมหนึ่งเพราะเหตุไรเพรอลูกไม่เลี้ยงกัเลยประชดชีวิตของตัวเองก็ว่าได้หนีเหมือนกันได้เขาไม่พอใจจะอยู่ทําไมแฮะแต่ลูกชายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลูกสะภ้ยเนี่ยเถอะพูดแต่ลูกชายก็คงจะซื่อบือ้อกคงจะไม่ได้ค่อยดูมีแต่ไปทําการทํางานก็ให้ลูกสะภ้ยเป็นผู้ดูแลปู่ให้ดูแลพ่อตนเองแต่ลูกสะพ้ยพูดยังไงลูกชายก็คงไม่รู้อีกเหมือนกันนะั่นอะ แต่ที่นี่พ่อปู่อยู่ก็อยู่กับลูกสะพ้ยใช่ไหมเป็นผู้เลี้ยงเอาหง์อาหารอทุกอย่างแต่พอลูกสะพ้ยพูดให้ฟังพูดใส่เท่านั้นแหละปู่นี่ก็น้อยใจหนีจึงเปไปการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนเออพรามมาอย่างไงพระองค์รู้ได้เพราะอนาคตังสยานพระพุทธองค์รู้ว่าอดีตอนาคตของพรามนี่เป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงท่านรู้หมดเพราะท่านจะโปรดคนน่ะ พระพุทธเจ้าเนียว่าสยามภูรู้แจ้งโลกใครเข้ามาเห็นกระมองแล้วรู้แล้วอันนี้คืออะไรเหตุการณ์นี้จะทำยังไงท่านก็ถามพราหมณ์มาจากไหนพราหมณ์ก็เล่าให้ฟังผมเป็นอย่างงู้นย่งนี้อย่างนี้ลูกไม่เลี้ยงครับผมก็เลยสัดเซไปนใจนจย์ไปตามเรื่องพระพุทธองค์บอกว่าพราหมณ์จะเอาคาถาไหมเราจะให้คาถาพราหมณ์ก็ว่าครับพระพุทธองค์ให้อะไรผมก็เอาทั้งหมดนะครับเออเอาเดี๋ยว เราจะประสิทธิ์ประสัดคาถาให้พามก็ครับพวกโรงเกษตรประสิทธิ์ประสัดคาถากันคาถาแบบครั้งครั้งนะพีน้คาถาครั้งครังให้พรามก็รับเวลาจะพรามที่จะเก่าคาถานี่นะ เ, เรียกลูกทั้งหลายลูกทั้งเก้าคนนะทั้งลูกชายทั้งลูกสะพ้ยทั้งหลานมาด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องมาพร้อมกัน อยู่ที่ศาลาประชาคมกลางบ้านนั่นเรียกมาพร้อมกันแล้วก็บอก<ม>เอ้ยลูกหลานญาติพี่น้องทางห้ายนะข้าพเจ้าห่างเหินจากซู่เจ้าไปนานหลายปีบัดนี้ข้าพเจ้ามาถึงแล้วข้าพเจ้ามีอะไรที่จะสั่งเสียมานะลูกหลานนะข้าพเจ้ามีเรื่องอะไรที่จะสั่งเสียอยู่นะใครจะมาฟังก็มาฟังจะไปเขานี่คงจะไม่ไม่ได้เห็นหน้ากันละ พราหมณ์ก็สั่งเสียอย่างสุด ๆ, ดๆเหมือนก็นแค่เขาบอกทิ้งทวนนะ่ยพอเด็ดคาถาจากพวกพุทธเจ้ามาแล้วคนทั้งหลายได้ยีนอย่างกันหลังไหลามาอะไรวเนี่ยผีน้องลูกหลานทั้งหลายทั้งลูกทั้งเก้าคนลูกสะพ้ยเก้าคนทั้งหลานอีกนะมานั่งอยู่ที่ศาลาประชาคมอย่างพวกเรามานั่งอยู่เดียวเนี่ยพราหมณ์ก็ขึ้นบนฟอเลยมานะฟอนฟอบนเวทีถือไม้เท้าอย่างที่หลวงพ่อมอบให้เมื่อกี้เนะี่ยไม้เท้าที่หลวงพ่อมอบให้เมื่อกี้เนะี่ย ไม้เท้าหัวช้างไม้เท้าหัวม้าเนีหัวไม้เท้าน่ะเออแต่พามคงจะไม่ไม้เท้าธรรมดาไม่คงจะไม่มีใครทําให้ดีอย่างนี้นะ่คงจะไม้ไผ่ธรรมดาเน่ยพามก็ขึ้นยืนอยู่บนฟออยู่กลางเวทีเอางั้นเละแนวหน้าฟังหน้าลูกหลานทางหลายลูกลูกทั้งหลายหลานหลานทางหลายญาติพี่น้องทั้งหลายฟังเดี๋ยวผมจะพูดกล่าวสุนทรพจน์ให้ฟังจะได้สั่ําลากันแล้วงั้นควรจะเงียบ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 วัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสนกล่าวสุนทรพจน์ให้แก่พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็จจำออกคำที่พระพุทธเจ้ามาก็มายืนบน่บนกลางฟองอย่งนะนั้นแต่เวลาพูดของไม้เท้าเนะี่ยสายไปสายมางนะั้นสายไปสายมารอบข้างเลีเ้ยงบุตรสุดแสนจะลำบาก แต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายสรุปแล้วก็คือเลี้ยงลูกมาทั้งเก้าคนน่ะสู้ไม้เท้าของพ่อไม่ได้ไม้เท้าของพ่อเนี่ยไปนสถานที่ใดหมาจะกัดเอาไม้เท้าวัดเบียงไปวัวควายจะมาเอาไม้เท้าชี้ไปวัวควายเหล่านั้นก็ยังวิ่งหนีได้แต่ลูกของเราเลี้ยงมาทั้งเก้าคนด้วยความยากลำบาก หาผู้ที่จะดูแลช่วยภาระของพ่อดูแลพ่อไม่ได้สรุปแล้วลูกทั้งเก้าคนสูไม่เท้าไม้เท้าพ่อของไม่ได้ชูคุณไม้เท้าของพ่อไม่ได้สักคนคือความคิดของพรามที่กล่าวสุนทรรพตนในวันนั้นพอกล่าวจบเท่านั้นแหละลูกชายคนโตก็ยื น, นมาแสดงความจำนงคุณพ่อครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมเองจะเป็นผู้ดูแลคุณพ่อเองอคุณพ่อไม่ต้องทุกข์กระทาลําบากพอเองมีเงินอยู่ตั้งสิบล้านใช่ไหมละ่ะอทีแรกมีเงินอยู่สิบล้านก็แบ่งให้คนละล้านล้านล้้า น, านก็พ่อเอาล้านหนึ่งต่อมาอีกเงินไม่พอใช้ลูกเก้าคนก็ขออีกพ่ออีกคนละแสนละแสนพ่อก็ให้อีกคนละแสนละแสนละแสนต่อมาอีกขอคนละหมื่นอีก พ่อก็ให้อีกคนละหมืน่นละหมืน่นละหมืน่นแต่จะถึงแล้คนละพันนี่ก็ยังยังไม่แน่อันนี้พูดท่านพูดไม่ละเอียดเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกนะพ่อเขหมดมือเลยเทีนีน้พ่อมอบให้ลูกหมดแล้วก่อนที่อยากจะได้เงินจากพ่อไปนะโอ้โหพูดแะไรพูดดีพ่อไม่เป็นไรหรอกเอาให้ผมผมจะไปทํามาค้าขายพ่อไม่ต้องเอาไว้หรอกเอาไว้ก็กทิ้งไว้เฉยๆพวกผมจะได้ทํามาค้าขายจะเด่นเลี้ยงพ่อ จะได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อพ่อไม่ต้องห่วงพวกผมเลี้ยงอยู่แล้วอะมีแต่ดีๆพ่อยังไงล่ะพ่อก็ต้องมอบให้ไพ่อมอบให้เสร็จแล้วแตเนี่ยไม่เป็นอย่างที่ให้สัญญากับพ่อเอาไว้พ่อได้ครอบครัวท่านลืมพ่อทีนี้พ่อก็เลยซัดเซพเนจรไปแบบทุกยากลําบากทั้งที่เงินพ่อก็ให้หมดแล้วทั้งที่จะให้ไปตั้งตนตั้งตัวตั้งหลัก ตั้งครอบตั้งครัวพระนิชชุก็เลยไม่มองเห็นพ่อนี่นี่แหละผู้พ่อก็เลยนี่แหละยังดีไปพบพระพอุทธเจ้าพระพอุทธเจ้าให้คาถาเนี่ยให้แกพรามพรามตอนนั้นก็เลยมายืนบนกลางฟออย่างที่ว่าเนี่ยเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากไม่แทนมือพ่อแม่ได้เหมือนใจหมา ย, ยาให้ข้าลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกมาก็เพื่ออยากจะให้ลูกดูแลตนเองอย่างเมื่อเท่าแกาชะลา ไม่มีใครคนไหนหรอกที่จะเลี้ยงมาแล้วเหมือนกับเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่กางเลี้ยงไก่เนี่ยเขาก็ยังเลี้ยงเพื่อข้าวกิน เ, เนื้อของมนันเลี้ยงหมาเนี่ยก็เพื่อจะให้มันเฝ้าบ้านดูแลบ้านนะแต่เลี้ยงลูกเนี่ยก็จะต้องเป็นไม้เป็นมือให้แกพ่อแมเอ่เมื่อพ่อแม่แก่เท่าลงไปแล้วนะเมื่อพ่อแม่เป็นบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการ ะ, ระพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาพวกเราได้ทําหน้าที่ที่ถูกต้องได้อย่างดีแล้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเรายังบกพร่องแสดงว่าเรายังไม่ใช่พุทธมามกะนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนพวกเราอย่างนี้ขอให้พวกเราทบทวน เมื่อท่านพ่อแม่หลวงรับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเพราะว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเเราได้มาจากพ่อแม่เราไม่ได้มาจากใครใช่ไหมในเมื่อมรดกชิ้นนี้ยังอยู่กับเราอยู่เมื่อเราเอามราดกชิ้นนี้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อได้เงินคำทรัพย์สมบัติมาแล้วเราควรจะทําบุญเอหรือว่าทําให้เ ก, เกิดประโยชน์ต่อชุมชนจากนั้นก็อุทิศสวนกุศล การทำคุณงามความดีซะก่อนจึงอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ได้นะอ่ะไม่ใช่ว่าไปซื้อเหล้าออมาแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พ่อแม่ไม่ได้นะอันนั้นทําบาปพ่พอแม่ไปรับดอกไฟสิ่งที่มันชั่วพ่อแม่ไม่รับใครรับไม่ได้ไปติดตารางแทนลูกนั้นได้ยังไงในสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายพ่อแม่ไม่รับรับแต่คุณงามความดีเท่านั้นละ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ พงหลวงพ่อเองจะได้เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาพร้อมกันก็จะได้พูดเรื่องเกี่ยวกับบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็พร้อมกันทูกหลานทั้งหลายอย่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่าทาในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีแล้ว ความจเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอันดับแรกต่อไปก็เนะ่ยวงศานายาตญาติมิตรสหายของพวกเราพ่อแม่ผี่น้องเพื่อนฝูงของเราก็เป็นคนดีตามๆกันมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขเราอยู่ณถินได้ต่างคนก็ต่างเป็นคนดีด้วยกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นจากนั้นก็พวกเราก็สั่งสมแต่คุณงามความดีต้องคิดไว้ต้องศึกษา ให้การศึกษาในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระองค์สอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงนั่นลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมนะให้ศึกษาจากนั้นเราก็ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่งภาวนาเจะทํยาทยังไงจริงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วถูดนั่งภาวนาในเมื่อนั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง ร, รวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นรู้ได้เลยที ตายแล้วเกิดเลยตายเลยศูนย์อันไหนตายศูนย์ศูนย์ ค, คือคือร่างกายรูปธรรมนี่ยศูนยแน่แต่นามธรรมเตียวทัวรู้ตัวนี้ย่ะเออมันเด่นชัดขึ้นไปจะไม่ตายตัวเนี้น่ะไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆ อ, อได้เนีอเอ่ยมันเหมือนกระแสไฟฟ้านะพวกเราคิดไดูเลยเรามองไม่เห็นเนีกระแสแต่พอมันมีประกายแล้วมันทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมาะสมขึ้นมาแล้วเนี่ย เอาไปใส่สายไฟมันก็วิ่งไปได้แต่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันมีพลังมันมีไฟนั่นเดี๋ยวนีอมันก็มีไฟจริงๆคะเพราะมันเห็นอะไรนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันอยู่ในร่างกายใช่ในร่างกายเห็นเห็นร่างกายแต่น้ำธรรมคือตัวใจนั่นน่ะตัวนั้นน่ะมันมีอยู่นะมันมีเชื้ออยู่ที่นี้นะอยู่ในใจเลยนะอยู่ในคนคนนี้นะมันรู้สึกอยู่นะนี่แหละ ไอ้ตัวที่รู้สึกตัวนี้แหละมันไม่ตายมันไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมไปเกิดเป็นสัตว์ชนันช้างม้าโวควายไปเกิดได้ทางนั้นใจดวงเนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องของใจเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานคณะสัตยาติโยมทั้งหลายให้ศึกษาเรื่องของใจไม่มีวิชาอื่นนอกจากวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้นะที่จะสอนวิชาเรื่องของใจ เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบวัวหลวงปู่ล่าที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อท่านเข้าไปป่าโรงพงไฟท่านศึกษาเรื่องของใจท่านรู้ได้โดยตนเองหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนา้าตายแล้วไม่ศูญนะนรกสวรรค์มีนะอย่าประมาทนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาเพราะนั้นพวกเราในฐานะศิษยาณุศิษย์ลูกหลาน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราถึงจะไม่เชื่อก็ให้ฟังเอาไว้นะเออให้ฟังเอาไว้จากนั้นก็ให้ศึกษาแล้วให้ปฏิบัติเออเหมือนกับเราไม่เชื่อว่านี้มีไฟนะสายลวดไม่มีไฟนะเออแต่เราจะไปจับกรรมทีเดียวอันนั้นก็ไปว่าโง่จนเกินไปเราก็เอานิ้วมือแต่แตะดูก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันบาปกรรมบาปบุญคุณโทษมีนะอย่าไปทำนะสิ่งที่มันไม่ดี พวกเรากวรจะไปถลําจนเกินไปอถ้าว่าไม่มีเราบาปบุญคุณโทษข้ามก็ได้พ่อแม่นฆ่ามันเลยฆ่านในวงสาคณาญาติฆ่ามันเลยไม่มีบาปบุญหรอกผลในสูตรนั้นะไปติดคุกติดตารางผลในสูตรกันะหมดมิตรหมดสายหมดไปหม ด, หมดทุกอย่างนั่นแหละกรรมเลยบาปนันบาปให้ผลเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปถึงขนาดนั้นนะให้เชื่อพ่อแม่ครูาอาจารย์ไปก่อน ให้มีศีลมีธรรมไว้ก่อนถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วดูที่ไหนร่มเย็นเป็นฉุกทั้งนั้นแหละนะเออวันนี้ได้ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่วัดวาศาสนาวันปีใหม่หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดหลวงพ่อในนามสมมาณพราห ม, มณ์สอสมาณพราหมณ์ไปพบผู้ให้แนวความคิดทางด้านจิตใจแก่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว เอาไปนำไปคิดนะเอาไปนำไปคิดนำไปพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นนะจริงไหมแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ท้งนั้นไม่ได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อเลยนะอหลวงพ่ออินพวดอะไรเชื่อทั้งหมดนะไม่ถึงขนาดนั้นท้าขนาดนั้นกับหลวงพ่ออินก็เป็นเจ้าของพวกเราก็เป็นควายได้สิจูงไปที่ไหนก็เชื่อจูงไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นแนวความคิด ให้พวกเรานำไปคิดไหมพิจารณาถ้ามันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดอือใช่ยอมรับจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะหลวงพ่อมั่นใจใหอมั่นใจขนาดไหนหลวงพ่อถ้ามีกี่เปอร์เซ็นต์เนีอยถ้ามีร้อเปอร์ซหลวงพ่อแถมให้อีกหนึ่งรอยเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเชื่อขนาดนั้นหลวงพ่อที่พูดออกไปพูดด้วยความมั่นใจที่หลวงพ่อพูดเนี่ย ถ้าพวกเราลูกหลานคณะจัทธานญาติโยมนำไปเพืพฤติปฏิบัติหลวงพ่อขมั่นใจว่าชีวิตของพวกท่านทั้งหลายจะราบรื่นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีอะไรที่จะแฝงออกไปด้วยความไม่ถูกต้องมั่นใจในความถูกต้องในการแนะนำสั่งสอนน ะ, ะต่อนนี้ไปทำบุญนะ้าได้รับพร อ, อุทิศส่ว น, ว น, วนกุศลตกพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายพวกเรานะี่ยลูกหลานคณะัตาญาติโยม